บรรยายทำมัธยปันักธรรมชั้นตรีมวนที่เก้าโดยพระมหาไภัยระกทิตะสีโลท่านท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายธรรมในวันนี้จะบรรยายเกี่ยวกับเรื่องทุจริตสามอย่างและสุดจริตสามอย่างในหลักสูตรของนักธรรมชั้นตรีเพื่อให้เป็นประโยชน์กับนักเรียนนักศึกษาและท่านผู้สนใจในธรรมทั้งหลาย ต่อไปในประการแรกที่พูดว่าอาทุจริตสามอย่างขอให้ท่านมาทําความเข้าใจเกี่ยวกับคําว่าทุจริตเสียก่อนคําว่าทุจริตเสียก่อนที่จริงแล้วการบรรยายทำในหลักสูตรของอนักธรรมชั้นตรีนี้อจก็รู้สึกว่าได้พูดเกี่ยวกับสุจริตทุจริตไว้มากนะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันก็มีดีกับชั่ว ทุจริตก็คือการประพฤติชั่วทุจริตก็คือการประพฤติดีฉะนั้นคําว่าทุจริตก็คือว่าการประพฤติในสิ่งที่ชั่วในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามก็มีอยู่สามอย่างหนึ่งประพฤติชั่วด้วยกายเรียกว่ากายทุจริตสองประพฤติชั่วด้วยวาจาเรียกว่าวจีทุจริตสามประพฤติชั่วด้วยใจเรียกว่ามโนทุจริตในข้อแรกที่บอกว่า ประพฤติชั่วด้วยกายเรียกว่ากายทุจริตกายทุจริตนั้นยังแยกออกไปเป็นสามอย่างคือหนึ่งฆ่าสัตว์สองรักทรัพย์สามประพฤติผิดในกามนะประพฤติผิดในกามนี่เรียกว่ากายทุจริตทีนี้ที่บอกว่ากายทุจริตสามอย่างนี้เช่นว่าการฆ่าสัตว์นี่ก็ถือว่าเป็นการก็ทําความชั่วในทางกาย การลักทรัพย์ก so, ็ถือว่าเป็นการกระทําความชั่วในทางกายการประพฤติผิดในการมหรือว่าผิดประพฤติผิดประเวณีก็ถือว่าเป็นการกระทําชั่วทางกายนทางกายทีนี้ท่านผู้ฟังทั้งหลายก็ลองมานึกดูว่าคนเราการฆ่าสัตว์การฆ่าสัตว์ก็ดีการลักทรัพย์ก็ดีการประพฤติผิดในการมก็ดีมันเป็นสิ่งยุติธรรมไหมที่จริงแล้วมันไม่เป็นสิ่งยุติธรรมมันผิดศีลไหมผิดศีลแน่นอน ออันนี้เราเห็นชัดแล้วว่ามันผิดศีลอันนี้ก็อยู่ในหลักของอขศีลห้าฆ่าสัตว์ก็คือปานาปิบาทรักทรัพย์ก็คืออาธินาทานประพฤติผิดในคำก็คือกาเมสุมิฉาจารนะอันนี้มันผิดศีลผิดธรรมอยู่แล้วฉะนั้นเราถ้าหากว่าทําอะไรอมันผิดศีลผิดธรรมแน่นอนที่สุดก็จะทําให้ตัวเองเดือดร้อนครอบครัวก็เดือดร้อนญาติพี่น้องก็เดือดร้อนสังคมประเทศชาติก็เดือดร้อนฉะนั้น เราอย่าอย่าทําทุจริตกันเลยนะอย่าทําทุจริตกันเลยเพราะว่าการทําทุจริตนั้นถือว่าเป็นการผิดปกติของคนเราเป็นการผิดปกติของมนุษย์มันธรรมดามนุษย์นั้นแปล ว, ว่าผู้มีจิตใจสูงนะมณะบวกอุตยะมณะแปลว่าใจอุตยะแปลว่าสูงสนที่เข้าไปเป็นมนุษย์แต่ ว, ว่าผู้มีใจสูงนะผู้มีใจสูงทีนี้ถ้าหากว่าเราไปฆ่าสัต อย่างนี้ไม่ใช่ว่าคนมีจิตใจสูงนะไม่สูงถือว่าเป็นคนมีจิตใจต่ำสามหยาบช้ามีจิตใจเฮี้ยมเกลียมนะมีจิตใจเฮี้ยมเกลียม เ, เหมือนอย่างกับที่หนังสือพิมพ์เขาก็ลง เ, เกี่ยวกับเรื่องการฆ่าตัดตัดสามท่อนนะซึ่งท่านผู้ฟังทั้งหลายก็คงจะได้ยินทางสถานีวิทยุหรือว่าจะได้อ่านทำหน้าหนังสือพิมพ์นะ ว่าฆ่าตัดสามท่อนเลยที่เอาไปทิ้งโน่นแถวแถวใกล้นะครปฐมบ้างแถวแถวสะพานอกรุงเทพนั่นบ้างาไปทิ้งหลายๆที่เพื่อเ อ, เอาพรางคดีหรือว่ารางตาคนหรือว่าเป็นการทําให้การสรืบสวนนั้นจับไม่ได้แต่ผลที่สุดก็หาได้หลุดพ้นจากเอมือของกฎหมายไปไหมของตารวจไปไหมก็จับไดอ้อันนี้ก็ถือว่าเป็นการกระทําอย่างอุอกอชกชักกัน เรีว่ามีจิตใจเยี่ยมเกรียมแม่เอาขึ้นมาฟันถึงสามท่อนเนี่ยเอาใส่ถงุงก็จะเตะไปเอาใส่กระเป๋าไปเอาใส่กล่องอทีวีอะไรอย่างเงี้ยแยกส่วนต่างๆออกไปรู้สึกว่าโหดเยี่ยมมากนะโหดเยี่ยมมากฉะนั้นการฆ่าสัตว์นี้ถือว่าเป็นการผิดปกติของคนนะผิดปกติของคนอเพราะว่าธรรมดาคนเราทุกคนเกิดมานั้นอไม่ได้เกิดมาเพื่อฆ่านะไม่ได้เกิดมาเพื่อฆ่า คนเรานะถึงไม่ฆ่าก็ตายฆ่าก็ตายฉนะนั้นไม่ฆ่าดีกว่าแต่พาอถ้าฆ่าไม่ฆ่าก็ตายตายอาจจะตายโดยธรรมชาตินะาตายเพราะอุบัติเหตุต่างๆก็ได้อาจจะตายเพราะแก่ตายก็ได้แต่ว่าการฆ่าตายนี้เท่ากับว่าเรานั้นเป็นตัวมารเป็นตัวไปตัดรอนชีวิตของเขานะทำร้ายล้างผลานคุณงามความดีของเขานะทำให้เขานั้น ต้องถึงกับเสียชีวิตหรือทุคนลภาพทำให้เดือดร้อนอเรียกว่าลกูกเมียญาติพี่น้องเดือดร้อนไปหมดเลยะฉะนั้นเราต้องไม่ฆ่า mm hmm. เพราะว่าการฆ่านี้มันก็มีเวรมีภัยอันนี้จะยกตัวอย่าง mm hmm. เอาเรื่อง ง, ง่ายง mm ่า hmm. ยมีหญิงคนหนึ่งแกชื่อว่าแกชื่อว่านางเขีย น, น นางเขียนนี่ก็อยู่แถวตลาดทรงวาดที่กรุงเทพนี่เอง <S 2> <S 2> อันนี้เหตุการณ์นี้เกิดมาเมื่อเมื่อสิบกว่าปีมาแล้วนะอยู่แถวตลาดทรงวาดกรุงเทพนี่เอง <S <S ทีนี้ปรากฏว่านางเขียนนี่แกเป็นคนเกลียดมแมลงสาบมากนะเกลียดมแมลงสาบมากเห็นมแมลงสาบนี่เป็นต้องฟรี๊ดร๊บต้องทุบต้อง ต, องตองีต้องบี้กันให้ละเอียดละออไปเลยเรียกว่าจะปล่อยมาให้เดินหรือวิ่งไม่ได้นะ โมเรีกว่าเป็นคู่อาฆาตกันมาตั้งแต่ชาติไหนก็ไม่ทราบเห็นนี่ต้องทําลายล้างสารกันอย่างถนาดนะั้นเรียกว่าเหมือนว่าแควนกันมาตั้งสิบปียี่สิบปีดังนั้นแขวนนี้ก็ต้องชําระกันให้สะใจนะให้สะใจปรากฏว่านังเขียนแกก็เห็นมแรงสาบไม่ไนายก็เป็นต้องฆ่าต้องทุบต้องตีต้องขยี้ต้องทําลายทํามาอย่างนี้สิบปียี่สิบปี วันหนึ่ง <c oughs> วันหนึ่งปรากฏว่านางเขียนนี่ก็เกิดการเจ็บป่วยลงนะพอเกิดการเจ็บป่วยแล้วก็รู้สึกว่า ม, ม, มีมีแมลงสาบนั้นชอบมาไต่ตอมนะชอบมาไต่ตอมเอาปลูกยาสีน้องปวกลูกๆ ก, ก็คอยป้องปัดคอยป้องกันจนที่สุดมแมลงสาบก็มาอีกเยอะเลยนะมามากขึ้นเรื่อยมากขึ้นเรื่อยผลที่สุดต้องกลางม้งนะต้องกลางม้ง เพราะว่าถ้าไม่กลางม้งกันไว้แมลงสาบมารากฏว่าบนหลังม้งนี้ต้ขงข้างม้งนี้โอ้โหแมลงสาบเต็มไปหมดเลยถึงกระนั้นแมลงสาบก็ยังลอดเข้าไปในม้งอีกเป็นจํานวนมากทําใหา้นางเขียนซึ่งป่วยอยู่นั้นไม่สบายใจนอนก็นอนไม่หลับเพราะว่าถูกแมลงสาบมันไปกัดไปตอดนอนตอด น, นี่เอาแหมรู้สึกว่าให้แกก็สับกษระสายก็วนกร ะ, ะวายไปหมดแะกระวนกระวายไปหมด แต่พอนานเข้านานเข้าเหตุการณ์ก็เกิดอัศจรรย์คือมแมลงสาบในยัวเยะไปหมดเลยทั้งในมุงและนอกมุงหลังมุงบนเพดานมุงในเต็มไปหมดเลยนะเต็มไปหมดจนนเะข้าคนที่มาช่วยไล่มแมลงสาบมาช่วยปัดมแมลงสาบไม่กล้าจะไล่มแมลงสาบเพราะถือว่ามันเป็นเรื่องอัศจรรย์ลองคิดดูสิว่ามันไม่ใช่มาแค่ตัวสองตัวสิบตัวยี่สิบตัวอันนี้มันมาเป็นสงสงเลย นี่มันมันมาอย่างไรท่านลงนึกตูมันมาอย่างไ ร, ลงงไรผลที่สุดไม่นานนางเขียนนั้นก็ตายพอตายเสร็จแล้วเขาก็ไล่มแมลงสาบออกไปหมดแล้วก็เอาโมงเั่นคลุมทับไว้สองชั้นคลุมทับไว้ก็มีการสวดพระอภิธรรมกันอสองวันสองคืนเพราะสวดแล้วก็จะเาไปที่วัดปรากฏว่าพอสัเหรอไปเปิดผ้าออกแค่นั้นแหละท่านผู้ฟังทั้งหลาย ไม่รู้ว่าแมลงสาบมันมาจากไหนเมื่อไรมันอยู่ที่มันแทะตัวของนางเขียนั้นเต็มยัวเยี้ยไปหมดเลยจนจำไม่ได้ถ้าหากไม่รู้ว่าคนตายนั้นชื่ออะไรมาก่อนแล้วจำไม่ได้เลยเรียกว่ามันแทจนผิวหนังเนี่ยออกหมดขาวโพลงหมดเลยนะขาวโพลงหมดเลยนี่มันก็เป็นเป็นเรื่องน่าอาจจจัศจรรย์ใจนะไม่ไม่ไมน่าเชื่อก็ต้องเชื่อนะนี่มันก็เป็นเรื่องกรรมอีกเหมือนกันนะฉะนั้น เรื่องกรรมนี้เราอย่าประมาทว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยนะยาพิษหยดเดียวเรียกว่าเอาไปใส่ในต้มน้ำแม้น้ำมากๆ ก, ก็อาจสามารถทำให้คนผู้ดื่มตายได้นะผู้ดื่มตายได้อาสาพิษแม้ตัวเล็กงูแม้ตัวเล็กมีพิษมากก็อาจจะ ก, กัดให้ถึงแก่ตายได้ทะนั้นอย่าประมาทนะไม่ควรประมาทกรรมมากเป็นเรื่องนิดหน่อย่าดทิ่งน้นทิ่งนี้แล้วก็จะไม่บาปมันมีบาปทางนั้นนะมีบาปทางนั้น แต่ที่จะเป็นบาปนั้นก็มีหลักอยู่ว่าสัตว์มีคุณมากก็บาปมากสัตว์มีคุณน้อยก็บาปน้อยอย่างกับฆ่าควายสักตัวหนึง่งกับค่าคนนเนี่ยแน่นอนที่สุดค่าคนต้องบาปมากกว่าเพราะคนมีคุณมากกว่าบวกว่าควายทีนี้ค่าไก่กับค่าควายอฆ่าควายก็บาปมากกว่าเพราะว่าบัวควายนั้นมีคุณมากกว่าเป็ดไก่อันนี้มันก็ลดหลั่นกันไป แต่ว่าไอ้ที่บาปน้อยนั่นแหละถ้าเราทํำบ่อยๆเข้ามันก็มากนะเราทํามันบ่อยค่อนมันก็มากการทําชั่วทําดีเหมือนกันเราทําทีละเล็กทีละน้อยทําบ่อยๆเข้ามันก็มากผลตกมาจากฟ้าฟ้าสุลาลัยตกมาทีตกมาทีละยดทีละยาดแต่ว่าตกบ่อยๆเข้าก็สามารถที่จะให้เต็มผาชนะได้ข้อนี้ฉันใดบุญทานการกุศลที่เราทําทีละเล็กทีน้อยก็สามารถที่จะให้ถึงที่สุดได้นะให้บุญเต็มที่ได้ ในทางบาปเหมือนกันที่เราทําไปทีละเล็กละน้อยแต่ทํำบ่อยๆเขามันจะมากก็สามารถที่จะให้ผลถึงที่สุดได้อีกเหมือนกันนะฉะนั้นเรื่องการทําบาปด้วยกายในท่านผู้ฟังทั้งหลายมีมีโทษมากนะมีเรื่องมากก็จะยกอีกสักเรื่องหนึ่งให้ท่านผู้ฟังคือเกี่ยวกับเรื่องการทําชั่วด้วยกายก็คือเกี่ยวกับเรื่องในความโลภที่มันอยากได้นะนะอันนี้ก็ อาจจะไปอยู่ในข้อที่สามนะข้อที่สามแต่ว่าจะขอโทดเอาเกี่ยวกับเรื่องการที่กระทำความชัว่วในทางกายนะก็คือมีคนคนหนึ่งนะแกไปฆ่าปลานะไปดักปลาวางเันเถอะปลากฏว่าเมื่อแกดักปลามาได้แล้วแกก็จับปลาขึ้นมาเนื้อปลาตัวนี้พอจับขึ้นมาแล้วมันก็ดิน้นนะอมันก็ดิน้นพลัดลงไปจากไอ จากอะไรกระชังหรือตะข้องที่ใส่นั้นก็ดิ้นลงไปแกก็ขับจับ ก, กันไปขับจับ ก, กันมาปรากฏไอ้ปลานั้นก็ดิ้นเข้ามาในถนนที่รถวิง่งแกก็ลืมตัวในขณะที่ที่ตามจับปลาก็ตีผิดตีถูกแลยผลที่สุดก็ถูกรถยนต์ชนทับตายรถยนต์ชนตายนี่เรียกว่ามันเป็นกรรมทันตาที่แกได้ตีปลาออจับปลาตัวนั้นผลที่สุดไอ้รถยนต์มันก็ทับแกตายอีกเหมือนกันนี่มันก็เป็นกรรมเห็นทันตาอีกเหมือนกัน แล้วก็มีอีกหลายๆเรื่องในทรรนองนี้นะในทรรนองนี้ฉะนั้นจะบอกว่าการฆ่าสัตว์นี้ถือว่าสร้างเวรสร้างกรรมา่ากคำว่าสัตว์ในทีน่นี้นอกจากจะเป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างหนึ่งแล้วก็หมายถึงสัตว์มนุษย์อีกด้วยนะสัตว์มนุษย์อีกด้วยคือหมายถึงคนเรายิ่งฆ่าคนเรานี่ก็ถือว่าเป็นคนที่จิตใจอมะหิตมากนะใจดํำอมะหิตมากเยี่ยมเกรียมมากหน้ากลัวมากนะฉะนั้นเราอย่าฆ่ากันเลยนะซึ่งอาจามาได้เคยบรรยายไว้แล้วว่า การฆ่าส <unlucky. S 2> ัตว์นั้นจะทําให้เรานั้นมีอายุสั้นคนไม่ฆ่าสัตว์จะทําให้มีอายุยืนนทําให้มีอายุยืนฉะนั้นถ้าเราไม่ฆ่าสัตว์แล้วก็จะเท่ากับเรานี่ต่ออายุให้กับสัตว์ด้วยต่ออายุให้กับตัวเองอีกด้วยแต่ถ้าเราไปฆ่าสัตว์แล้วก็เท่ากับว่าเรานี้บันทอนชีวิตของเรานบันทอนชีวิตของเราอีกด้วยแล้วก็ยังไปบันทอนชีวิตคนอื่นอีกด้วยอันนี้ก็ฝากท่านผู้ฟังทั้งหลายไว้เป็นข้อคิด แล้วก็ในข้อที่บอกว่าอรักในข้อที่บอกว่าถือเอาของของเขาโดยที่เจ้าของไม่ได้ให้นะหรือคือว่ารักขโมยนั่นเองะข้ออธินาทานข้อนี้มันก็ผิดศีลผิดธรรมท่านลองนึกว่าคนเราเกิดมาเนี่ยเกิดมาเพื่อรักกันหรือว่าเกิดมาเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกันอโดยธรรมชาติของมนุษย์ในเกิดมาจะต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันไม่ได้เกิดมาเพื่อรักกันการรักกันนี่มันผิดความปกติของมนุษย์นะ ผิดศีนผิดธรรมนะฉะนั้นเราเกิดมาต้องไม่รักกันธรรมชาติสร้างคนเราให้มีมือมีเท้ามีตาหูจมูกลิ้นไกายใจเท่ากันแล้วเราต้องใช้ธรรมชาติที่อต้องใช้อวัยวะที่ธรรมชาติได้สร้างมานี้ให้เป็นประโยชน์นะให้เป็นประโยชน์จึงจะสมกับ ว, ว่าอเป็นคนที่เกิดมาไม่เสียชาติเกิดแต่คนด้าเกิดมาแล้วมีอวัยวะครบทุกประการแต่เกียรติค้านทําการงานเอไม่ขยันทําการงานคอยที่จะ เอาเปรียบผู้อื่นด้วยการเตัดช่องย่องเบาหรือฉกจริงวิ่งราวอย่างนี้ก็ถือว่าผู้นั้นเท่ากับว่าขุดหลุมฝังตัวเองนะตายทั้งเป็นนะตายทั้งเป็ด น, นะคนอย่างนี้อายุไม่ยืนนะอายุไม่ยืนท่านเห็นไหมที่เขาก็จับมาที่ห้าคนที่หนังสือพิมพ์ลงไปงัดแงร้านนาฬิ ก, า ร, การักเมริกาต้งเป็นราคาต้งเป็นเส้นแสละล้านเขาจับได้หมดนี่เห็นไหมเนี่ยภัยมันมาถึงตามตัว หรือจอที่จี้เงินตาจำที่ไปเบิกตำธนาคารต่งตางๆเนี่ยแตกวันหนึ่งก็หนีไม่พ้นแล้วเขาได้เงินไปแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะมีความสุขนะมีแต่ความเดือดรอ้อนสถานที่เขาจับได้เนี่ยเขามาสัมภาษณ์เราลองฟังดูเราลองอ่านดูจะบอกว่าเงินเป็นแต่นี้ใช้ไม่กี่วันนไม่ถึงเดือนห้าวันเจ็ดวันนี่หมดเล้นี่มันเป็นเงินรอ้อนนะมันเป็นเงินรอ้อนแล้วดีไม่ดีตัวเองก็ถูกยิงตายด้วย และเดไม่ดีตัวเองก็ไปยิงเขาตายอีกด้วยเพราะถ้าเขาขัดขืนตัวเองก็ต้องยิงตายเพราะว่าตัวเองก็กลัวตายถ้ามายิงเขาเขาก็จะต้องยิงเรานี่ฉะนั้นนี่แหละจึงบอกว่ามันมีโทษมากนะมีโทษมากเราไปรักของเขาแน่นอนที่สุดก็เหมือนกับว่าเรานี่รักของเรานะรักของเราเพราะมันเป็นเวรเป็นกรรมที่เราจะต้องใช้นะที่เราจะต้องใช้เราไปฆ่าเขาก็เหมือนว่าเราจะต้องฆ่าตัวเราก็คือว่าไอ้กรรมอันนี้เราจะต้องชดใช้ จักวันหนึ่งเขาต้องฆ่าเราเนะียต้องฆ่าเราแต่ว่าจะโดยวิธีการอย่างไรก็แล้วแต่นะจะต้องถูกฆ่านะเขารักของเรา เ, เรารักของเขาจากวันหนึ่งเขาก็ต้องมารักของเรานะต้องมาฆ่าของของเราไปฉะนั้นอันนี้ก็ถ้าเราไม่มีการเหียดเยียนกันโดยการจกชิงวิ่งราวโดยการตี้ปล้นฆ่าแล้วแน่นอนที่สุด อ, อโลกนี้ก็จะอยู่กันอย่างร่มเย็นสังคมก็จะปกติสุขมีระเบียบมีความเป็นเรียบร้อย และประการที่สามก็คือประพฤติผิดในกรรมก็คือประพฤติผิดประเวณีในคําว่าประพฤติผิดในกรรมคําว่ากามในที่นี้โดยทั่วไปนักเรียนนักศึกษาหรือท่านสาธุชนทั้งหลายก็อาจจะเข้าใจว่าเมื่อพูดถึงกรรมก็คือว่าการซ้องเสพกันหรือว่าการอประพฤติกันอย่างสามีภรรยาจริงๆแล้วอันนั้นมันก็ถูกไม่ผิดแต่ว่ามันยังแคบไปคําว่ากามในที่นี้หมายถึงว่าความใคร่ใคร่ในอะไรใคร่ในรูปใคร่ในเสียง ไข่ ใ, ในเกลิ่นใครในรสไข่ ใ, ในการสัมผัสนะคนที่ติดรูปติดเสียงติดกลิ่นติดรสติดการสัมผัสเนี่ยถือว่าคนที่อผิดในการนะผิดในการท่านลองนึกดูสิว่าบางคนนี่หลงรูปนะหลงรูปหลงตัวเองด้วยแล้วก็หลงผู้อื่นด้วยไอ้แค่นั้นยังไม่พอแม้แต่อิรูปที่มันเป็นกระดาษนี่ก็ยังหลงแล้วนะฉะนั้นพวกวัยรุ่นในจินเอารูปพวกดาราต่างๆ ที่โด่งดังของสังคมของโลกเนี่ยเอามาติดตัอ้อที่ห้องนอนบ้างทำเป็นปกหนังสือบ้างติดตามกระเป๋าบ้างนี่แหละผู้ติดติดในรูปนะติดในรูปส่วนผู้ติดติดในเสียงก็คือว่าพยายามเลือกเอาเพลงหรือเอาอะไรก็แล้วแต่ที่ตัวเองพอใจนั่นเอามาฟังซื้อเอามานะหรือว่าชอบร้องเพลงของคนนั้นคนนี้อันนี้เราถือว่าผู้ติดในเสียงในกลิ่นก็ในทำนองเดียวกันนะคือ หาว่ากลิ่นก็กลิ่นหอมก็รู้สึกปรารถนาอนะกลิ่นไม่หอมตัวเองก็ไม่ปรารถนานี่อย่างนี้ฉะนั้นก็แสวงหาสิแนะสวงหาไอที่ตนปรารถนาถ้าไม่ได้ที่ตนปรารถนาก็ไม่พอใจนะไม่พอใจฉะนั้นในในข้ออื่นก็ในทำนองเดียวกันฉะนั้นพูดสั้นๆก็คือว่าการประพฤติผิดในกามก็หมายถึงว่าการที่ไปติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรส ทนี้การที่เราไปหนลงในรูปในเสียงในกลิ่นในรถนั้นถ้าเป็นไปในทางที่ดีก็เรียกว่าเป็นอิทถารมณเป็นอารมณ์ที่ปรารถนาเราก็เราก็เกิดความอยากได้เกิดความโลภเข้าแล้วนะทีนี้ความอยากได้อ น, นั้นมันอาจจะได้ไม่สมอยากหาได้ไม่สมใจหรือไม่รู้ว่าจะได้วิธีใดอย่างไงไม่ได้โดยยุติธรรมก็ต้องเอาแบบอายุติธรรมไม่ได้โดยสุจริตก็ต้องเอาแบบสุจริตไม่ได้โดยแล่ก็ต้องเอาด้วยคนไม่ได้ต้องด้วยหมดก็ต้องเอาด้วยคาถาหาวิธีการอย่างใดอย่างนั้น นะหาวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งฉะนั้นก็คือว่าทําในทางที่ไม่ดีไม่งามนะในทางที่ไม่ดีไม่งาม<ล>ก็อาจอย่างที่บอกเมื่อกี้และว่าอาจจะใช้วิธีลักหรือว่าอาจจะใช้วิธีจุดฆ่าอนาจารอะไรก็แล้วแต่และนี่อาจจะใช้วิธีนี้ฉะนั้นอันนี้แหละมันก็มีโทษนะมันก็ทําให้ตัวเองต้องมีโทษก็คือว่าถึงที่สุดก็คือมีการฆ่ากลมขืนกันหรือว่าคมขืนฆ่าอะไรก็แล้วแต่อันนี้เราจะเห็นอยู่เป็น เป็นอันมากในสังคมในปัจจุบันนี้ฉะนั้นที่บอกว่ากายทุจริตสอย่างก็คือหนึ่งฆ่าสัตว์สองรั 2, กทรัพย์สามประพฤติผิดในกามหรือประพฤติผิดตัวเวณีนี่เป็นเป็นการกระทําความชั่วทางกายฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่ทําความชั่วทางกายก็คือเป็นกายสุจริตอันนั้นเป็นความดีมาในข้อที่สองที่บอกว่าวจีทุจริตก็คือประพฤติชั่วทางวาจา อาวาจาที่จะออกในทางที่ชั่วนั้นก็มีอยู่สี่อย่างหนึ่งพูดเท็จสองพูดจ่อเสียดสามพูดคําหยาบสี่พูดเพอเจอร์พูดเท็จก็คือพูดโกหกพูดโกหกให้เขาคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงให้เขาหลงไหลตามที่ตนปรารถนาที่จะหลอกลวงเขาเ อ, อย่างนี้ทําให้เขาเสียประโยชน์เ อ, อพูดจ่อเสียดก็คือเท่ากับว่าอิาจฉาดิสยาเขาน พูถหาเรื่องว่างั้นเถอะไอ้ผู้สอบเสียดเนี่ยพูดยุยงส่งเสริมให้เขาต้องทะเลาะกันเนีให้เขาทุบตีกันให้เขาฆ่ากันพูดคําหยาบ ก, ก็คือว่าเช่นคําด่ากระโชกโคกหักด่าหยาบหยาคล้ายๆเป็นคําที่ไม่เจริญหูเจริญใจพูดเฟอเจอก็คือพูดไม่ได้เรื่องไร้ราพูดเป็นนกแก้วนกขุนทองเออันนี้แหละเขาเรียกว่าพูดเฟอเจอระฉะนั้นในเรื่องคําพูดนี่ก็เหมือนกันก็ถือว่า เราประพูดผิดในทางในทางวาจาในสิ่งที่ไม่ดีงามอันนี้ก็ถือว่าผิดศีลอีกเหมือนกันผิดศีลในข้อมุสาวมุสาวาตมุสาวาตก็คือพูดเท็จพูดซอเสียดพูดคำยาพูดเฟเจอร์มันก็มีโทษคนที่ชอบพูดโกหกชอบพูดเหลวไหลนี่จนเป็นนิสัยประจำจะทำอะไรก็ มักจะมีนิสัยโกโหกหลอกลวงเพื่อต้องการให้ผู้อื่นตัวเชื่อถือแต่ว่าเมื่อคนอื่นเขารู้แล้วตัวเองนั้นจะขาดความเคารพเชื่อถือของคนทั่วไปทําอะไรก็ไม่สําเร็จตามที่ตนปรารถนาเพราะว่าตัวเองนั้นเป็นคนมีจิตใจโลเลเป็นคนที่พูดไม่อยู่กับร่องกับรอยหรือเป็นคนพูดจาส่อเสียดถามผู้อื่นเป็นคนพูดชอบเน็บแหนมผู้อื่นเป็นคนพูดใช้วาจาสามหาวาจายับคาย ซึ่งอันนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่เจริญตาจเจริญใจทางนั้นนะแต่ถ้าพูดดีในทางพระพุทธศาสนาก็ถือว่าจะได้กับผลดีพูดชั่วก็ได้ทับผลชั่วจึงมีภาษิตของคนไทยที่บอกว่าพูดดีก็เป็นสีแก่ปากถ้าพูดมากปากก็จะมีสีนี่นะพูดดีก็เป็นสีแก่ปากพูดมากปากก็มีสีหรือบอกว่าพูดดีเป็นสีแก่ตัว ถ้าพูดชั่วก็พาตัวอัปราชัยสุนทรพูดท่านจึงได้พูดบอกว่าถึงคราพูดพูดดีเป็นศีรษะมีคนรักรสถ้อยอร่อยจิตแม้นพูดชั่วตัวตายทําลายวิจจะชอบผิดในมนุษย์พระพูดจาฮะเป็นมนุษย์สุดนิยมที่ลมปากจะได้ยากข่อยหิวเพราะจิวหาแม้นพูดดีมีคนเขาเมตตาจะพูดจาจงไิเคราะห์ให้เหมาะขวาเห็นนะว่าการพูดนั้นเราจะต้องพูดให้ดีพูดให้มีประโยชน์ แต่ถ้าพูดไม่ดีไม่มีประโยชน์แล้วก็เป็นภัยกับตัวเองนะเป็นภัยกับตัวเองเขาบอกว่าคนที่พูดดีนั้นนะจะพูดให้คนเสียจะละเงินทองสักเท่าไหร่ก็ได้จะพูดเอาบ้านเอาเมืองก็ได้เช่นพวกลิ้นนักการทูดต่างๆนาน า, น า, นาถือว่าเขาเรียกว่าเป็นพวกสาริกาลิ้นทองนะแต่ว่าจองกันข้ามคนที่พูดไม่ดีแล้วก็เป็นคนปากเหม็นนะปากเหม็นเขาเรียกว่า คูถาพาณีปากเหม็นเหมือนคูดเหมือนของศกรปรกเหมือนของโสโครกไม่มีใครต้องการไม่มีใครปรารถนาอันนี้มีพระเถระองค์หนึ่งพระเถระองค์นี้ปรากฏว่าแกเป็นชอบอพูดเสียดสีคนอื่นดูถูกคนอื่นเหยียดหยามคนอื่นนะแกเป็นอาจารย์สอนหนังสือนะเป็นอาจารย์สอนหนังสือเรียนจบพระไตรปิฎกอย่างแม่นยำนะเก่งมากแต่เวลาสอนลูกศิษย์แล้วใช้คําพูดไม่ดีกับลูกศิษย์ ใช้คําคพูดจากระโจกโขกห้าใครว่าจาสามหาวมาดูมินเหยียดยามผู้อื่นเมื่อแกตายไปแล้วแกไปเกิดเป็นปลานะไปเกิดเป็นปลาเป็นปลาใหญ่มานะมีเกล็ดเป็นทองเลยสีเริ่มดังทองเลยสวยสดงดงามเลยเกิดชาวประมงได้ไปลากอวนได้ไปติดปลาตัวนี้ขึ้นโอ้รู้สึกว่าตัวใหญ่แล้วก็สวยสดงดงามปลากดเราพอปลานี้อ้าปากมาแค่นั้นแหละ เกล็นปากเหม็นคลุ้งไปหมดเลยโอ้โหแทบสลบสลด์เลยเกล่นเหม็นมากนะเกล่นเหม็นมากก็เลยอัศจรรย์ใจว่าทําไมปล า, าตัวนี้มีผิวมีเกล็ดเป็นทองแต่ว่าเวลาอ้าปากเราเหม็นมากก็เลยเอาไปเฝ้าพระพุทธเจ้านะพาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็ถามบอกว่าที่เหตุเป็นเช่นนี้เพราะอะไรพระพุท ธ, ธองค์ก็บอกว่าอปลาตัวนี้เมื่อชาติก่อนก็คือว่าอ่าเป็น นักปราชญ์นะเป็นพระภิกษุที่เป็นนักปราช์เรียนจบพัฒน์ปิดกนเะก่งมากเลยเออสองสองลูกศิษย์ด้วยคำพูดคำจาที่ไม่สุภาพไม่เรียบร้อยออแข็งกระด้างกระโชกโคกหักอ่าฉะนั้นผลที่ได้รับก็คือว่าเมื่อตายจากอาตภาพนะแล้วก็มาจุติเป็นปลานี่แหละท่านผู้ฟังทั้งหลายคนเราแม้ทำความชั่วทางวาจาอย่านึกว่ามันจะไม่มีโทษมามีนะมีโทษมาอนะ่ฉะนั้น ไอ้เรื่องความชั่วทางวาจาเนี้ยังมีอีกมากมายนะมีอีกมากมายบางคนที่ต้องทะเลาะเบาแหวกกันเนี่ยก็เพราะปากนี่เองนะปากนี่เองฉะนั้นจึงบอกว่าคนเรานี่คนเรามีปากแล้วไม่รู้จักไม่รู้จักใช้ปากให้เป็นประโยชน์นะแต่คนเรารู้จักแต่แต่แตงปากกันนะแต่ไม่รู้จักที่จะตรุงปากให้เกิดประโยชน์หรือแต่งปากให้เกิดประโยชน์ เพียงแต่เรารู้จักแต่งแต่แตแตแตริมฟีปากคอบริมฟีฟปากนะอย่างที่ท่านอาจารย์ท่านหนึ่งท่านเคยพูดว่าไอ้ปากมันดีดีแล้วชอบไปทําให้ปากมันสกปรกนะให้มันสกปรกให้มันเปื่อนให้มันเลอะมันเถอะเสร็จแล้วก็ต้องมาเช็ดมาถู ก, กันแหม่รู้สึกว่ามันลําบากลําบนนะแล้วก็เราก็ยังมาอสรรเสริญนินทาเกี่ยวกับเรื่องไอ้โรคสัมผานของปากคนปากเปี้ยวปากบูด ป, ปากแมะปากบางปากน้ำปากกระจับอะไรก็แล้วแต่ซึ่งอันนั้นมันเป็นเรื่องที่ นามาร o b o นามธรรมมันตรงแต่งมามันเป็นธรรมชาตินะ่ะเป็นธรรมชาติอันนั้นไม่เป็นพิษเป็นภัยจะปากอย่างไรก็แล้วแต่ไม่เป็นพิษเป็นภัยแต่ปากที่เป็นพิษเป็นภัยก็คือว่าคนที่ใช้ปากไม่เป็นประโยชน์ก็คือชอบอพูดเท็ชจอ ช, อชอบพูดเจ้เสียชอบพูดคํำยาชอบพูดโต้เจอ์นะพูดจาอิจฉาเสียคู่อืน่นนะพูดไม่ถูกการละเทสะอย่างนี้แล้วก็ทุกข์ร้ายนะทุกข์ร้ า, ายปากแตบทําไมปากแตบก็ถึงรับว่าเขาเรียกว่าปากปลาปหมอ นะเรียกว่าปากนำไปสู่ความชิดหายนำไปสู่ความล่มจมอ่าถึงที่สุดก็คือตายนะถึงที่สุดก็คือตายนี่แหละเรียกว่าเราใช้ปากไม่เป็นนะฉะนั้นเราอย่ามัวแต่แต่งรูปปากกันเลยนะจงมาใช้ปากให้เป็นประโยชน์นะพูดให้เป็นนะพูดให้เป็นอย่าพูดเท็จอย่าพูดส่อเสียอย่าพูดคาหยาบอย่าพูดเพ้อเจ้อ น, นะถ้าอย่างนี้แล้วสบายนะอย่างนี้แล้วสบายทีนี้เมื่อเราไม่ ไม่พูดเท็จ ไ, ไ, ไม่พูดเสียดไม่พูดคาหยาบไม่พูดเปิดเจอแน่นอนที่สุดเราก็กลายเป็นวจีสุจริตก็คือเป็นไปในทางที่ดีที่งามนะเป็นไปในทางที่ดีที่งามอา้าวทีนี้ก็มาในข้อที่สามมโนทุจริตนะมโนทุจริตก็คือว่าทุจริตในทางใจนะมโนแปล ว, ว่าใจนะทุจริตในทางใจหรือทําชั่วในทางใจก็มีสามอย่างหนึ่งโลภอยากได้ของเขาสองพยาบาทปองร้ายเขาสามเห็นผิดจากทานองคลองธรรม ทั้งสามอย่างนี้ถือว่าเป็นการกระทําความชั่วทรรใจนะท่านผู้ฟังลองนึกตัวว่าไอ้คนที่โลภอยากได้ของเขาเนี่ยเป็นคนที่เอาเปรียบผู้อื่นนะตัวเองไม่ทําอยากจะได้แต่ของเขาคอยช่วยโอกาสที่จะตัดช่องย่องเม้าของเขานี่คนอย่างนี้เขาถือว่าเสียชาติเกิดเป็นบุคคลผู้เปล่าเป็นโมคนะเป็นบุคคลผู้เปล่าเป็นผู้หญิงผู้ชายเขาเรียกว่าเป็นโมคะ บ, บุรุษนะเรียกว่าเป็นบุรุษผู้เปล่าเป็นผู้หญิงผู้เปล่า เกิดมาไม่ทําประโยชน์ให้กับตัวเองสังคมประเทศชาตินะเกิดมาจากแต่ว่าลมหายใจเข้าออกไปวันวันหนึ่งแค่นั้นเองฉะนั้นคนพวกนี้ไม่มีสาระไม่มีคุณค่าของความเป็นคนของความเป็นมนุษย์นะฉะนั้นเขาเกิดมาก็เพื่อทําลายล้างหลานเกียรติคุณของวงตระกูลของตัวเองให้เสื่อมเสียให้หมดสิ้นไปหรือก็ยังทําลายสังคมประเทศชาตาิให้เกิดความทุกข์ให้เกิดความเดือดร้อนอีกด้วยนะฉะนั้น คนที่มีความโลภอยากได้ของเขาในทางสัพพุทธศาสนาอท่านได้บอกไว้ว่าคนที่มีความโลภอย่างนี้ตายไปแล้วก็ไปเกิดเป็นเปรตนะถ้าหากว่าอยู่ในชีวิตมนุษย์ในปัจจุบันก็คือว่าเป็นเปรตในร่างของมนุษย์นะใจมันโลภไอ้ความโลภนี่แหละมันเบียดเบียนมันบังคับใจให้ต้องทําอย่างนั้นนะ อ, อย่างนี้นต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้แสดงอาการวิกลตวิการผิดจากเอความเป็นมนุษย์ผิดจากความเป็นคนนะ จนลืมภาวะของตัวเองหรือว่าอาจจะผิดจากความเป็นสมณะเอผิดจากความเป็นพระสง์องค์เณนผิดจากความเป็นผู้หญิงผิดจากความเป็นผู้ชายผิดจากความเป็นพ่อผิดจากความเป็นแม่เพราะเสื่อมเสียเพราะอำนาจของความโลภนะนั้นคนที่มีความโลภนี้จะยกตัวอย่างให้ฟังมีโยมคนหนึ่งชื่อว่านายพิษอ่านายพิษนี่เป็นคนบ้านยางอำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรีนนายพิษนี่เป็นคนอะไร โลกมากนอกจากจะ ก, กองที่ดินคนอื่นแล้วยังไม่พอก็ <_ C os> ここยังมากองที่ของวัดซึ่งวัดอยู่ใกล้ๆถ้าจําไม่ผิดก็เหมือนว่าจะเป็นวัดวัดหงหรือว่าวัดนางหงอะไรนี่อันนี้แหละปรากฏว่าในพิษนี่แกได้รุกที่ของวัดไปมากแม้คนอื่นจะห้ามปรามอย่างไรแกก็ไม่ยอมรับแกก็ไม่ยอมรับผลที่สุดไม่นานไอ้กรรมอันนี้มันก็เอเรียกว่า ต้องผลักดันให้ในพิษนั้นต้องเป็นไปต่างๆนานาก็คือถึงแก่การเจ็บป่วยแล้วก็ล้มตายไปในพิเมื่อตายไปแล้วก็ไปเกิดเป็นเปรตทําไมคนฉะนั้นคนที่มีความโลภอยากได้ของเขาในทางพระพุทธศาสนาอท่านได้บอกไว้ว่าคนที่มีความโลภอย่างนี้ตายไปแล้วก็ไปเกิดเป็นเปรตถ้าหากว่าอยู่ในชีวิตมนุษย์ในปัจจุบันก็คือว่าเป็นเปรตในร่างของมนุษย์น ใจมันโลภไอ้ความโลภนี่แหละมันเบียดเบียนมันบังคับใจให้ต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้นะต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้แสดงอาการวิกลตวิการผิดจากความเป็นมนุษย์ผิดจากความเป็นคนอจนลืมภาวะของตัวเองเรียกว่าอาจจะผิดจากความเป็นสมณะผิดจากความเป็นประสงค์องค์เณนผิดจากความเป็นผู้หญิงผิดจากความเป็นผู้ชายผิดจากความเป็นพ่อผิดจากความเป็นแม่เพราะเสื่อมเสียเพราะอํานาจของความโลภนะ นั้นคนที่มีความโลภนี้จะยกตัวอย่างให้ฟังมีโยมคนหนึ่งชื่อว่านายพิษนายพิษนี่เป็นคนบ้านยางอำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรีนะนายพิษนี่เป็นคนอะไรโลภมากนอกจากจะโกงที่ดินคนอื่นแล้วยังไม่พอก็ยังมาโกงที่ของวัดนะซึ่งวัดอยู่ใกล้ๆนะถ้าจำไม่ผิดก็เหมือนว่าจะเป็นวัด วัดหงหรือว่าวัดนางหงอะไรนี่ออันนี้แหละปรากฏว่าในพิษนี่แกได้รุกที่ของวัดไปมากนะแม้คนอื่นจะห้ามปรามอย่างไรแกก็ไม่ยอมรับนะแกก็ไม่ยอมรับผลที่สุดไม่นานไอ้รมอันนี้มันก็เอเรียกว่าต้องผักดันให้ในพิษนั้นต้องเป็นไปต่างๆนาน า, นาก็คือถึงกับการเจ็บป่วยแล้วก็ล้มตายไปในพิษเมื่อตายไปแล้วก็ไปเกิดเป็นเประทําไมคนจึงรู้ว่าในพิษเป็นเปรต เพราะนายพิษนั้นนะ่ะจะไปยืนอยู่ไอ้ตรงที่ดินที่แกได้โกงเขาไปตรงนั้นใครไปก็ต้องไปเห็นนะเห็นทีแรกนี่ก็ตัวสูงมากนะเรียกว่าเจ็ดแปดอกนะเขาค่อยลดต่ำลงต่ำลงต่ำลงจนกระทั่งเท่ากับตัวของนายพิษอนะแล้วก็บางทีส่งเสียงร้องอย่างหวยหวนคนได้ฟังเราเกิดความกลัวขนลุกขนพองกันแล้วก็จาเสียงได้หรือว่าเอาเสียงนี้เป็นเสียงนายพิษนี่ฉะนั้น คนทุกคนที่ไปเห็นนั้นก็บอกว่าถ้าจะเห็นมาปรากฏเหมือนกับเท่าทุกวันนี้ก็ยังนานๆก็ยังเห็นในพิษมายืนอยู่นะยืนทีแรกนี่สูงใหญ่โตมากแต่พอานาพอดูไปดูไปก็ค่อยต่ําลงต่ํำลงต่ําลงนี่แหละเพราะอํานาจของความโลภนะเพราะอํานาจของความโลภฉะนั้นอถ้าหากว่าเราไม่โลภนะแน่นอนที่สุดเราก็จะมีแต่ความสุขมีแต่ความสบายนะไม่เดือดร้อน ไม่ทำให้คนอื่นดูดร้อนด้วยตัวเองก็ไม่เดือดร้อนด้วยตนเองปรงาทถนาอย่างไรก็ทำเอาเองนะทำพออยากได้อะไรตัวเองก็ทำเอาโดยความสุจริตยุติธรรมอย่างนี้สบายใจในข้อที่สองพยาบาทปองร้ายเขาในการพยาบาทปองร้ายเขาอันนี้ก็ถือว่ามีพิษภัยอย่างไรไ้ายแรงคนเราทุกคนไม่ปรารถนาให้ใครมาทำร้ายตัวเองนะแล้วคนเราทุกคนไม่ปรารถนาที่จะกระทาความผิดนะ เมื่อเขาทาความผิดแล้วถ้าขอโทษได้ก็ขอโทษแต่บางคนคิดอาฆาตบางคนคิดพยาบาทเดินชนกันนิดหน่อยบางทีฆ่ากันตายเหยียบเท้ากันนิดหน่อยบางทีก็ถึงมือการชกต่อยกันการทุบตีกันถึงกับหัวรักข้างแตกบางทีก็ถึงกับร่างกายทุพลภาพไปก็มีไม่ใช่น้อยฉะนั้นคนที่อาฆาตพยาบาทนี้ถือว่าเหมือนกับว่ามีไฟอยู่ข้างในนะมีไฟอยู่ในใจนะ<ม>ให้สังเกตเลยนะคนที่มีอารมณ์ กรธเป็นเจ้าเรือนี่ใจคลองหุดหงิดมากโมโหโธโสมนะนะถ้าเป็นคนขาวเวลาโกรธขึ้นมากนหน้าแดงตาแดงปากแดงหูแดงแดงไปหมดเลยเรียกว่าไฟมันลุกนะไฟมันลุกขึ้นดีหน้าแล้วไฟมันไฟลุกเนี่ยไฟมันติดขึ้นมันมีสีแดงฉะนั้นเมื่อไฟมันลุกขึ้นแล้วตัวเองก็แสดงอาการไปตามอําเภอใจโดยไม่รู้สึกตัวว่าทําอะไรไปบางครั้งก็ฆ่าเขาไปแล้ว นะโชคต่อยเขาไปแล้วตีเขาไปแล้วเทนแทนเขาไปแล้วมารู้ได้ภายหลังก็ต่อเมื่อเขาตายไปแล้วเขาเจ็บตัวไปแล้วนะหรือของสิ่งนั้นตัวเองได้ทำลายพังพินาาไปแล้วนี่ก็สายเสียแล้วนะก็มานั่งอดควรวนั่งร้องไหนะ้บางครั้งก็ต้องไปนอนอยู่ในคุกในตารางนี่เดือดร้อนเพราะอำนาจของความพยาบาทอานาจของความปองร้ายเขาอันนี้ไม่ดีนะท่านผู้ฟังตลาดอย่าคิดเลยคนที่คิด อาพยาบาทปลงหล้ายผู้อื่นนั้นไ้นความอาฆาตพยาบาทนี้มันเบียดเบียนใจเผาใจตัวเองนะถ้าหากว่าตัวเองเป็นคนดําเวลาอคิดอาฆาตพยาบาทมันก็จะเขี่ยมเปลี่ยนทำไมนะพอเป็นคนดําเวลาโกรธขึ้นความอาฆาตพยาบาทเกิดขึ้นหน้ามันก็ดำัำนอะ่านะตาเป็นไงดํานะำดําไปหมดเลยมันเหมือนกับว่าไปควันไฟมันเกิดขึ้น นะที่เบอกแหมไฟไหมอะไรดุควันดํำไปหมดนี่แหละแต่ให้คนดําอ่ะมันก็ออกมาดํำนะเรียกว่าปากก็ดําหรือเขียวออกจะเป็นสีเขียวหน้าก็เขียวตาก็เขียวอะไรอย่างเงี้ยนะชนั้นอันนี้แหละถือว่าความอาฆาตสยาบานนี้ก็ถือว่าเป็นตัวโทสะอย่างหนึ่งนะฉะนั้นถ้าผู้ใดมีโทสะเป็นเจ้าเรือนมีความอาฆาตสยบานเป็นเจ้าเรือนอยู่ในจิตใจตายไปแล้วก็จะไปเกิดเป็นพวกสัตว์นรกร้อนนะ ถึงแม้ว่ามีชีวิตเป็นอยู่ก็เป็นสัตว์นรกในเรือนใจนะเป็นสัตว์นรกในเรือนใจมีอาการรุ่มร้อนเหมือนกับตกนรกทั้งเป็นนะเหมือนกับตกนรกทั้งเป็นประการที่สามคือเห็นผิดจากทํานองคลองธรรมในความว่าเห็นผิดจากทํานองคลองธรรมก็คือว่าถ้ามันเห็นตามทํานองครองธรรมก็คือเห็นถูกเห็นถูกทางเห็นถูกช่องนะเห็นถูกช่อง ไใ้เรือถ้ามันพายไปตามลำคลองมันก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าถ้ามันพายไม่ถูกลำคลองมันชนทางโน้นทีชนทางนี้ทีก็คือว่ามันไม่ไปตามทํานองคลองทบมันผิดคลองทำนะไอ้การผิดคลองทำก็หมายถึงว่าผิดคติจากพระพุทธศาสนาหมายถึงคติทางพระพุทธศาสนามีอยู่ว่าทําดีต้องได้ดีทําชั่วได้ชั่วนะความดีหรือความชั่วที่บุคคลกระทาแล้วแม้ยังไม่ได้ แม้ยังไม่ได้ผลภายนอกก็ย่อมได้รับผลในภายในได้รับผลในภายในเช่นคนบริจาคทรัพย์ของตนช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นแม้ไม่ได้เห็นผลซึ่งเป็นบัมเน็ต จ, จากผู้อื่นก็ยังได้ความปลื้มใจได้ความภูมิใจเพราะมารู้สึกว่าตนนั้นได้ทําสมควรได้ทําในสิ่งที่ที่ควรกระทําำส่วนคนที่ปล้นเอาทรัพย์ สมบัติของผู้อื่นแม้เขายังจับไม่ได้ตัวเองก็้หยรับความเดือดร้อนใจเที่ยวนีเตลิดเปิดเติงไปหาที่หลบที่ซ่อนอันนี้แหละถือว่าเป็นคติในทางพระพุทธศาสนาแต่บางคนหาเห็นอย่างนี้ไม่เห็นว่าทำการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งจัดว่าเป็นดีแล้วไม่มีคนรู้ไม่มีคนเห็นไม่มีคนชมก็ไม่ชื่อว่าเป็นการทำดีไม่เชื่อว่าเป็นการทาดีทาความชั่ว ไม่มีคนติชินนินทาไม่ถูกจองจําก็ไม่ชื่อว่าเป็นการทําชั่วอต่อต่อเมื่อมีคนได้ได้รู้เห็นว่าเป็นการทําชั่วแล้วก็มีคนติชินนิทานั่นแหละจึงจะเป็นการทําชั่วพวกนี้ถือว่าเป็นพวกมิจฉาทิฏฐิเป็นพวกมิจฉานิธิถือว่าเห็นผิดจากทํานองคลองทำฉะนั้นในทุจริตทั้งสามนี้ถ้าหากว่าผู้ใดได้ประพฤติหรือปฏิบัติแล้วแน่นอนที่สุดตัวเองก็จะมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเดือดร้อน ฉะนั้นขอให้เราทุกคนจงเว้นจากการาทุจริตทางกายทุจริตทางวาจาทุจริตทางใจเมื่อเว้นจากการทุจริตทางกายก็มาประพฤติในในสุจริตทั้งสามนะเมื่อกี้เราว่าถึงทุจริตสามทีนี้ก็มาว่าสุจริตสามเป็นของคู่กันคําว่าสุจริตสามก็คือการประพฤติดีประพฤติงามประพฤติง่ายการทําดีนั้นประพฤติแล้วก็งาม แล้วก็ง่ายอ่าใครเห็นแล้วก็งามทางนั้นประพุธดีก็คือยังขึ้นยังไงประพุธอย่างไรสุจริตนั้นแบ่งออกเป็นสามก็คือหนึ่งประพุธชอบด้วยกายเรียกว่ากายสุจริตสองประพุธชอบด้วยวาจาก็เรียกว่าวาจีสุจริตสามประพุธชอบด้วยใจก็เรียกว่ามโนโสุจริตก็คือตรงกันอ่ตรงกันข้ามเมื่อเราไม่ประพุธชั่วด้วยกายอ่า ก็มาประพฤติอชอบด้วยกายก็เรียกว่ากายสุจริตนะทีนี้กายสุจริตก็ยังแบ่งออกอีกเป็นสามหนึ่งเว้นจากการฆ่าสัตว์สองเว้นจากการกรักทรษาสามเว้นจากการประพฤติผิดในกายนะอันนี้ก็ตรงกันข้าง่ายมากเพราะว่าได้บรรยายเกี่ยวกับทุจริตแล้วก็ทําให้ท่านผู้ฟังมองเห็นว่าเมื่อทุจริตไม่ดีสุจริตก็ต้องเป็นฝ่ายดีคนเราเมื่อไม่ฆ่าสัตว์ก็ยังไม่บอกเลยว่า ไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ทรมานสัตว์ไม่กักขังสัตว์แน่นอนที่สุดเราก็ไม่ได้รับความเดือดร้อนเพราะว่าเราทำแต่กรรมดีคนทำกรรมดีน่ะแน่นอนที่สุดออไอ้กรรมดีมันก็ให้ผลในทางที่มีความสุขกายสบายใจคนทำความชั่วความชั่วมันก็ให้ผลเป็นความทุกข์กายสบายใจฉะนั้นเราทุกคนก็ควรจะทำความดีทางกายการทำความดีทางกายนะมันไม่ต้องไม่ต้องไปคิดอะไรมากครับ เพียงแต่ว่าท่านยกมือไหว้คนก็ถือว่าเป็นการกระทำความดีนะเป็นการกระทำความดีแล้วนทะ่านใส่บาทะตอนเช้านี่ก็ถือว่าเป็นการกระทำความดีนะเป็นการกระทำความดีฉะนั้นในความดีนี้บางครั้งท่านท่านอย่านึกว่าจะต้องทำด้วยเงินด้วยทองไม่ใช่นะไม่ใช่อย่างนั้นนะอย่างนั้นถือว่ายังเข้าใจแคบไปรู้แคบไปความดีนั้นเพียงแต่ว่า เราก็ทําในทางกายทางอาทางกายทางวาจาทางใจที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนตนและไม่เบียดเบียนผู้อื่นเมื่อทําไปแล้วนักปราชญ์วิญยุชนรับรองว่าเป็นการทําดีอย่างนี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นการทําดีนะเป็นการทําดีหรือพูดง่ายๆอย่างหนึ่งก็คือว่าการทําดีนั้นเราทําอะไรก็แล้วแต่เราทําด้วยความบริสุทธิ์ใจนะไม่ทําให้ผู้อื่นลําบากแล้ว อย่างนี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นการกระทำความดีฉะนั้นความดีทางกายที่บอกว่าเว้นจากการฆ่าสัตวนะ์ก็คือว่าการที่เราไม่ฆ่าสัตว์ก็คือการที่เรารักษาปกติของความเป็นมนุษย์ไว้เพราะเราทุกคนนั่นเกิดมาไม่ใช่เกิดมาเพื่อฆ่านะเราเกิดมาไม่ได้เกิดมาเพื่อฆ่ากันเราเกิดมาเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะเราเกิดมาเพื่อทำคุณงามความดี แล้วคุณงามความดีอันนี้แหละมันจะํานวยประโยชน์ให้กับเราแก่ครอบครัวของเราแก่สังคมของเราแก่ประเทศชาติของเราทำให้ผลที่การกระทานั้นเป็นไปในทางที่ดีที่งามมีแต่คนยกย่องมีแต่คนชมเชยนะมีแต่คนชมเชยแต่การที่สองเมื่อเราไม่ฆ่าสัตว์เราก็ต้องไม่รักทรัพย์ก็คือเว้นจากการลักทรัพย์ แต่การลักทรัพย์นั้นมันนํามาซึ่งความทุกข์ความเดือดร้อนนะอาจจะนํามาซึ่งการอ่าเสียชีวิตก็ได้แต่ว่าการที่เราเว้นจากการรักทรัพย์ก็เท่ากับว่าเราเคารพในสิทธิของผู้อื่นนะเคารพในสิทธิของผู้อื่นการที่เราไม่ฆ่าสัตว์ก็เท่ากับเราปลูกนิสัยเมตตานะเมตตาสงสารปรารถนาดีต่อผู้อื่นแต่ว่าเมื่อเราไม่ลักทรัพย์ก็เท่ากับเราเคารพในสิทธิของผู้อื่น ทรัพสมบัติที่เขาหามาได้เขาหามาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงอต้องเหน็ดต้องเหนื่อยต้องลำบากฉะนั้นทรัพย์ของใครใครก็รักทรัพย์ของใครใครก็หวงแหนฉะนั้นของเราเหมือนกันใครมาลักของเราไปเราก็เสียดมเสียดายาเราไปลักของเขาเขาก็เสียดายาเสียดายเหมือนกันฉะนั้นเราไม่ควรที่จะไปลักของเขาเมื่อเราไม่ลักของเขาเราก็ทําด้วยความสุจริตใจของเรา นะทําการงานด้วยความอุสุจริตใจสร้างขึ้นด้วยความสุจริตใจด้วยความยุติธรรมอันนี้แหละจะทําให้เรานั้น เ, เกิดเป็นบุญเป็นกุศลแก่ตัวเองนะแก่ครอบครัวสังคมประเทศชาติฉะนั้นขอให้เราทุกคนนั้นอย่าได้คิดเบียดเบียนด้วยการลักของบุคคลอื่นเลยนะงดเว้นเด็ดขาด น, นะแม้ว่าของนั้นจะมีคนเห็นหรือไม่เห็นก็าตามไม่ควรประพฤติไม่ควรกระทําประการที่สาม แม้นจากการประพฤติผิดในกะก็คือว่าให้เรานั้นพยายามลักวางอย่าไปหลงรูปหลงเสียงหลงกลิ่นหลงรสอย่าไปติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสให้เราต้องสังรวมสังรว ม, ม, รวมตาหูจมูกลิ้นกายใจมิให้ยินดียินร้ายในเมื่อตายเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้มรสกายถูกต้องสัมผัสใจนะึกคิดในอารมณ์ต่างๆต้องรู้จักยับยัง้งชั่งใจอะไรควรไม่ควรไงนะ ถ้าหากว่าเรามีสติคอยสำรวมระวังอย่างนี้แน่นอนที่สุดในความชั่วที่จะเกิดขึ้นทางกายตั้งแต่การฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิ ด, ดในการประพฤติผิดีดกดนะ็จะไม่บังเกิดขึ้นนะจะไม่บังเกิดขึ้นในข้อที่ อ, อในข้อที่สองที่ว่าวจวีสุจริตวจีสุจริตก็แบ่งออกเป็นสี่อย่างนะสี่อย่างก็คือหนึ่งเว้นจากการพูดเท็จ น, นะสอง เว้นจากการพูดส่อเสียดสามเว้นจากการพูดคำหยาบสี่เว้นจากการพูดเฟิร์เจอร์คําว่าวจีสุดจริตก็คือว่าปราพูดดีทางวาจาและทําไปแล้วก็งามแล้วก็ง่ายด้วยนะง่ายก็เหมือนอย่างที่บอกเมื่อกี้แล้วว่าเป็นมนุษย์สุดนิยมที่ล้มปากจะได้ยากหัวเพวโซชิวหาแม้นพูดดีมีคนก็เมตตาจะพูดจาจงปิดเคราะห์ให้เหมาะความนี่ อันอ้อยตาหวานลิ้นเราสิ้นซากแต่ลมปากหวานหูไม่รู้หายฮะฉะนั้นไในวัตถุต่างๆที่เรารับประทานเข้าไปมันหวานมันๆนั้นมันแค่หวานลิ้นเท่านั้นชั่วกินเดี๋ยวก็หายแต่ว่าหวานลมปากของคนเราที่จากการพูดดีพูดคําไปเราะพูดคําอดหวานนั้นรู้สึกมันหวานเนิ่นนะหวานเนิ่นนะหวานเป็นเดือนหวานเป็นปีหวานเป็นปีฉะนั้นให้เราทุกคนนั้นมาพูดดีเจอกัน นะคำพูดของคนเรานี่เขาแบ่งออกเป็นสามประเภทนะหนึ่งคูธาปานีก็คือว่าคูธาปานีก็คือพวกพูดพูดไปไม่ดีพวกนี้พวกปากเหม็นนะสองตุปพาณีพวกปากหอมปากหอมเหมือนดอกไม้นะสามมัทุระปานีปากขอมอาปากหวานก็คือพูดหวานเหมือนน้ำผึ้งนะพูกหวานเหมือนน้ำผึ้ง อันนี้อยังมีคํากลอนซึ่งเป็นหวานหานอย่างที่เขาพูดกันบอกว่าแม่น้องต้องการเลือดจะเชื่อให้แม้น้องต้องการใจก็ให้ฟรีฟรีถนอมแม่น้องต้องการค่าพิฆายอมอทุกสิ่งพร้อมทุกเมื่อก็เพื่อเธอเนี่ยอย่างนี้ฟังแล้วรู้สึกว่าแม่มันหวานเหลือเกินนะมันหวานแล้วก็หวานใจนานอีกด้วยนะแต่คําพูดที่หยาบๆก็มีนะบางทีฟังแล้วไม่เพลาะเลย นะฟังแล้วไม่เพราะกระโชกอกหัมันระคายหูแต่ว่าคนที่พูดดีนี้รู้สึกว่าเป็นที่ประทับคิดประทับใจของคนเราทั่วไปนะฉะนั้นเขาจึงบอกว่าเป็นสเสน่ห์มหานิยมนะจึงเรียกว่าปิยะวาจานะเป็นปิยะวาจาคือพูดคําที่น่ารักคนพูดคําที่น่านรักก็คือพูดวจีสุจริตคนที่พูดวจีสุจริตนี่แหละเป็นคําพูดที่ไม่ตายนะเป็นคําพูดที่ไม่ตาย เป็นคำพูดที่เป็นลิ้มสลักหัวใจเรียกว่าฝังจิตฝังใจของผู้ฟังเมื่อพูดไปแล้วก็ก่อให้เกิดประโยชน์ก่อให้เกิดความรักก่อให้เกิดความเห็นใจอยากช่วยเหลือนี่ตรงกันข้ามถ้าหากว่าเราพูดมันไม่สุจริตเป็นทุจริตแล้วก็พูดไปแล้วมันไม่เกิดความรักนะไม่คิดอยากจะช่วยเหลือฉะนั้นให้เราทุกคนมาพูดดีนะพูดดี เมื่อเราพูดดีแล้วแน่นอนที่สุดคนพูดดีเป็นเงินเป็นทองนะพูดดีแล้วมันเป็นเงินเป็นทองแต่ถ้าพูดไม่ดีแล้วก็มันก็อาจจะเป็นไอ้สิ่งที่ร้ายๆอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้ฉะนั้นขอให้เราทุกคนมาพูดดีต่อกันปรารถนาดีต่อกันฉะนั้นคำพูดที่ดีก็คือว่าหนึ่งคำพูดนั้นจะต้องเป็นคำจริงนะเป็นความจริงสองคำพูดนั้นจะต้องอเป็นคาพูดที่อ่อนหวาน อ่อนหวานสามคำพูดนั้นจะต้องมีประโยชน์สี่คำพูดนั้นจะต้องประกอบด้วยเมตตาห้าคำพูดนั้นจะต้องประกอบด้วยการละเทศนะการละเทศะคือพูดถูกการนะพูดถูกการพูดเป็นคำสุภาษสิทธ์เราอย่างนี้จะจักว่าเป็นการพูดดีฉะนั้นบางครั้งเราพูดดีถ้ามันผิดการละเทศะก็อาจทำตัวเองให้ลาบากได้อาจทำตัวเองให้เดือดร้อนได้ฉะนั้นขอให้เราทุกคนจงพูดดีต่อกัน แต่ยกตัวอย่างของคนพูดดีมีคนคนหนึ่งนะคนคนหนึ่งแกมีวัวอยู่คู่หนึ่งวัวนี่เรียกว่าสวยงามมากนะคนปรารถนามาอยากได้วัวของในคนนี้เหลือเกินแต่ว่าจะพยายามจะซื้อเท่าไหรก่ก็แกก็ไม่ขายให้ที่ไม่ขายเพราะมันมีเหตุยว่า เจ้าของวัวนี่แก่เป็นคนอัตคัดเกสานะอัตคัดเกสาคือคนอย่างไรก็คือคนผมน้อยนะคนผมน้อยที่เราเรียกภาษาชาวบ้านว่าคนหัวล้านนะว่ากันเถอะเรียกว่าคนหัวล้าน น, ะนี่อาจจะพูดว่าคนหัวล้านก็คือว่าจะไม่สุภาพหรือพูดอัตคัดเกสาแล้วผู้ฟังก็เลยไม่รู้เลยว่าคนอัตคัดเกสาคือคนอย่างไรมีปรากฏว่าใครมาซื้อก็เลยบอกว่าเอ้าตาหัวล้าน อ้วกู้นี้จะขายไหมแกไม่พอใจประเภทหัวล้านใจน้อยนะแกไม่พอใจแกไม่ขายบางทีก็ยังไล่แต่เพื่อไปดิดเซวยซ้ำสิแต่มีไอ้หนุ่มคนหนึ่งมาฉลาดนะฉลาดมากเอาเลยรู้จักกาละเทศะรู้จักใช้คำพูดเวลาจะมาซื้อหัวกพูดเป็นบทเป็นกลอนซอเพลิงเลยเข้ามาก็เลยบอกว่าพ่อผมดกพ่อผมดกดก ตกหลังอ่าพ่อผมดกตกไรไม่ใช่พูดอย่างนั้นพูดบอกว่าพ่อผมดกตกหลังอะไรเดี๋ยวนึกยังไงตรงนี้มันนึกคลาดคายขับคลาพูดเป็นเชิงว่าอพ่อผมดกว่างัวของพ่อนี่จะขายเท่าไหร่อาตมาก็ก็จําคำกลองตรงนี้ไม่ค่อยได้นะไม่ได้พูดเป็นเชิงว่า ชมว่าคนไม่มีผมนี่ว่ามีผมว่างวัางวจะขายไหมนะไอ้คนนี้มันก็อย่างว่าแหละเป็นคนบ้าหยอนะแต่คนคนร้านนี่เป็นคนบ้ายอก็พอเขาพูดบอกอย่างนั้นก็เอาเลยเทีย่รู้สึกพอใจว่าลูกเอยลูกกูอลูกพูดถูกหูพ่อไม่ขายเลยยกให้นี่เห็นไหมพูดชมว่าพ่อผมดกแค่นั้ น, น, นะนะเกิดความพอใจนะเกิดความพอใจ หลงนะ ท, ง ท, งทั้งๆที่ตัวเองไม่มีผมสักหน่อยหลงขึ้นมาเขาตอบไอ้คนนั้นทันทีเลยว่าอาลูกเอยลูกกูเจ้าผู้ถูกขู่พ่อไม่ขายเลยยกให้นี่ไอ้คนนั้นพอได้หัวก็ออกเลยนะจุงแนกไปเลยปรากฏว่าจุงพ้นบ้านไปไกลแล้วก็ไปสวนกับลูกสาวเขาลูกสาวของตะคนหัวล้านเนี่ยพอเดินมาเจอเขาบอกเอ้านี่จเจ้าวัวพ่อฉันไปไหนแล้วเนี่ยน ะ, จะเจ้าวัวพ่อฉันไปไหน ไอ้มองคนนั้นก็บอกใครบอกว่าหัวของพ่อแกหัวนี้จะคนหัวล้านนะเขาให้มาหรอกนี่ต่อหน้าอย่างหนึ่งนับหลังอย่างหนึ่งนั้นฉันจะเอาเงินคืนไปบอกไม่ได้อ่าเพราะว่าตะคนหัวล้านให้ฉันมาแล้วนี่ว่างนันปรากฏว่าลูกสาวก็กลับมาบ้านถามบอกพ่อให้หัวเข้าไปเหรอก็บอกเออก็ให้เขาไปเขาพูดดีนี่ลูกเขาพูดดีอะไรเขาว่าพ่อหัวล้านเนี่ตอนที่ก่อนมันไม่พูดอย่างนี้นี่นะ นั่นไมไ่พูดอย่างนี้ลูกสาวบอกนั่นแหละเขาว่าพ่อเป็นคนหัวล้านเป็นคนบ้ายอเขายกยอหน่อยเดียวว่าผมดกหน่อยเดียวก็หลงไหลในคําพูดถึงกับมอบหัวให้คูหนึ่งปรากฏว่าไป็คนหัวล้านไม่พอใจฟ้าไม้ประตักได้เนี่ยจะวิ่งไปตีไอ้คนนั้นเลยปรากฏก็วิ่งอย่างเต็มที่เลยสายไอ้นมคนนั้นก็เห็นถ้าไม่ชอบมาพาคนเอ๊ะดูถือไม้มาด้วยมันจะยังไงกันแน่นะ ในคนนี้วิ่งไปใกล้ๆก็ถามเลยว่าพ่อผมดกตกหลังพ่อวิ่งละล้าละลังพ่อจะไปทางไหนฮแค่นั้นแล้วท่านผู้ฟังไม้ประตักอ่อนเลยฮพ่อผมดกตกหลังพ่อวิ่งละล้าละลังพ่อจะไปทางไหนแกก็ตอบทันทีเลยว่าลูกเอ๋ยลูกรักพ่อเห็นลูกหรือประตักพ่อเลยวิ่งเอามาให้เี่เห็นไหมเสียไม้ประตักอีกเลยทีแรกเสียวัวไปคู่หนึ่งยังไม่พอ ทีนี้อย่างที่สองต้องมาเสียประตักอีกก็เลยเดินกลับนะเดินกลับมาถึงบ้านลูกสาวถามไปไงพ่อพ่อก็บอกเอ้ e, มันพูดดีนี่ลูกอ่นะก็เห็นมันเรียกพ่อดีอยู่เรื่อยไม่เคยพูดไม่ดีเลยลูกก็เลยหาว่าพ่อนี้เป็นคนบ้า ย, ยอนะไม่ได้ความว่าไอ้ผู้ชายคนนี้มันพูดสับเปลต่อนหน้าอย่างหนึ่งนับหลังอย่างหนึ่งใช้ไม่ได้นะพ่อก็เถียงกับลูกปรากฏไม่ตกลง อไม่ตกลงพ่อก็เลยบอกว่าเอา้งางันมาไปพิสูจน์กันอ้าวอีกแล้วทีนี้จุงมือลูกสาวอีกแล้วจะไปพิสูจน์ว่าไอ้หนุ่มคนนี้มันพูดเพาะหรือไม่เพราะปรากฏว่าในขณะที่จับข้อมือลูกสาวจุงวิ่งบ้างเดินบ้างไปไอค้คนนั้นก็เอว่ามันมาอีกท่าไหนอีกแล้วนะก็ต้องหาทางแก้อีกแล้วพอวิ่งมาใกล้ก็ถามเลยพ่อผมดกปกอกล้าพ่อวิ่งจุงมือลูกสาวแล้วพ่อจะไปทําไหนอพอแค่นี้แค่นั้นละ รู้สึกว่าหยุดชะ ง, งักทันทีเลยใจมันคลุ้มอีกแล้วนะไอ้นคนหัวล้านมันบ้ายอนี่มันก็ลำบากใจมันคลุ้มอีกแล้วหยุดทันทีแล้วก็แก่ไอ้มุ่งนั่นทันทีเลยบอกว่า <c oughs> ลูกเ อ, อ๋ยลูกแก้วพ่อมันแก่แล้วพ่อเลยวิ่งเอามาให้นี่เห็นไหมนาทีแรกนี่เสียวัวไปคู่หนึ่งทีที่สองนี่มาเสียปะตักทีที่สามนี่ต้องมาเสียลูกสาวให้อีกด้วยนี่ นี่เป็นเรื่องของการพูดดีนะพูดดีนั่นเองอทีแรกที่บอกว่าเอพ่อผมดกทีแรกที่พูดว่าพ่อผมดกนั่งก็ได้ให้บัวข้อที่สองก็อีกแหละพ่อผมดกก็ให้ประจักข้อที่สามก็ว่าพ่อผมดกอีกก็เลยให้ลูกสาวอันนี้ก็ที่ยกตัวอย่างมาเกี่ยวกับเรื่องว่าคำพูดดีย่อมมีประโยชน์ ย่อมมีประโยชน์ฉะนั้นก็ขอให้เราทุกคนนั้นจงพูดวจีสุจริตก็คือพูดในทางที่ดีที่งามเอ่อเว้นจากการพูดกําเท็จเว้นจากการพูดส้อเสียดเว้นจากการพูดคำหยาบเว้นจากการพูดเฟิรเจอร์มาในข้อที่สามเรียกว่ามโนสุจริตก็คือประพฤติดีทางใจประพฤติดีทางใจประพฤติดีทางใจเขายังแบ่งออกเป็นสามหนึ่งไม่โลภอยากได้ของเขาสองไม่พยาบาทปองร้ายเขา สามไม่เห็นผิดจากทำนองคลองทำคนที่ไม่โลภอยากได้ของเขานั้นสบายก็คือว่าเป็นคนที่คนไม่โลภก็จะต้องเป็นคนที่ชอบให้ทานนะชอบให้ทานชอบช่วยเหลือเอือเ้อเฟื้อเผื่แผ่ผู้อื่นนะอันนี้คนไม่โลภหรือเป็นคนที่ทำอะไรด้วยน้ำพักน้าแรงของตนในทางสุจริตนะน้ำพักน้าแรงของตนในทางสุจริตอ่านะแล้วเป็นคนที่เรียกว่า ชอบทําบุญสุนทานคนอย่างนี้เป็นคนที่ไม่เห็นแก่ตัวไอ้คนโลกเป็นคนเห็นแก่ตัวนะเป็นคนเห็นแก่ตัวแต่ทั้นคนไม่โลกก็คือเป็นคนที่ไม่เห็นแก่ตัวแล้วการที่สองก็คือว่าไม่พยายามบัตรปองร้ายเขาไม่คิดอาฆาตเขาคนไม่พยาบามตรปองร้ายผู้อื่นก็คือว่าเป็นคนที่มีจิตใจเมตตานะมีจิตใจเมตตาเป็นคนมีศีลนะเป็นคนมีศีล คนที่ไม่พยาบาทก็คือเป็นเหตุให้ให้รักษาศีลนคนที่มีจิตเมตตาเป็นคนที่ปรารถนาเห็นผู้อื่นนั้นเรียกว่าเป็นเพื่อนรักเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันไม่ควรที่จะมาพยาบาทปองร้ายเขาไม่ควรที่จะมาทําร้ายกันให้เกิดความทุกข์เกิดความเดือดร้อนไม่ดีเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำและการที่สามเห็นชอบตามทํานองกรองทำเห็นชอบก็คือเห็นถูกเห็นไม่ผิด นะเห็นไม่ผิดเห็นว่าทําดีต้องได้ดีเห็นว่าทําชั่วต้องได้ชั่วฉะนั้นการทําดีได้ดีอย่างที่ได้บอกไปเมื่อสักครู่แล้วว่าที่เราจะเรียกว่าเป็นทําดีนั้นหนึ่งทำไปแล้วก็ต้องไม่เบียดเบียนตนเองด้วยสองทำไปแล้วต้องไม่เบียดเบียนผู้อื่นสามเมื่อทําไปแล้ววินอยู่ชนรับรองว่าดีนั่นแหละเรียกว่าเป็นการทําดีฉะนั้นท่านผู้ฟังทั้งหลาย การบรรยายเกี่ยวกับเรื่องทุจริตสามอย่างก็ดีสุจริตสามอย่างก็ดีเมื่อพูดรวบยอดสั้นๆแล้วก็คือว่าการกระทําของคนเรานั้นมันมีดีกับชั่วเป็นของคู่กันนะดีกับชั่วกำของคู่กันทําชั่วก็เรียกว่าทุจริตนะทุจริตก็ทุจริตทางกายทุจริตทางวาจาแล้วก็ทุจริตทางใจอทําดีก็คือสุจริตสุจริตก็คือว่าสุจริตทางกาย สุจริตทางวาจาก็สุจริตทางใจฉะนั้นความชั่วเราอย่าทาเสียเลยเราทำแต่ความดีดีกว่านะทำแต่ความดีเพราะความดีทำไปแล้วก็มันอํานวยประโยชน์ในการสุขให้ความสุขแก่เราสุขทางกายสุขทางใจไม่ใช่สุขทางกายทางใจแค่เราเท่านั้นยังไปถึงครอบครัวของเราอีกด้วยเมื่อเราทำดีแล้วแน่นอนที่สุดไอ้ความภัยบุญทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะเกิดขึ้นแก่ตัวเรา เกิดขึ้นในครอบครัวของเรามีแต่คนยกย่องมีแต่คนรมเชยมีแต่คนนับหน้าถือตานี่เป็นผลเกิดมาจากคาดียิ่งไปกว่า น, นั้นเราจะเห็นว่าการทําทดีเราจะได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ทําดีเด่นในสังคมเขายังแบ่งอีกเป็นยันชในแพทย์ดีเด่นของปีนี้เนีเขาก็ประกาศออกมาให้ทราบทางสถานในวิทยุทางหนังสือพิมพ์หรือว่าคนที่ทําประโยชน์ต่อสังคมเขาก็ประกาศออกมาหรือว่านักวิทยาศาสตร์ดีเด่น หรือว่านักเกรยียนนักศึกษาที่ดีเด่นอะไรอย่างนี้เขาจะประกาศออกมานี่แหละฉะนั้นเมื่อเราทำดีแล้วก็มีคนยกย่องมีคนนับหน้าถือตามันก็ไปถึงครอบครัววงตระกูลของเราทำให้วงตระกูลของเรานั้นมีคนเคารพมีคนนับถือมีคนเริ่มใส่ฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็จึงเป็นแนวทางที่ดีไปหมดฉะนั้นขอให้เราทุกคนจงทาแต่ความดีนะอย่าทาความชั่วเลยพระพุทธองค์จึงได้ตัดไว้ว่า ตากะตังทุกกตังเสยโยความชั่วไม่ทำเลยดีกว่าเพราะความชั่วนำมาซึ่งความทุกข์ความชั่วนำมาซึ่งความเดือดร้อนความชั่วนำมาซึ่งความหายนะตรงกันข้ามความดีนำมานำมาซึ่งความเจริญนำมาซึ่งความก้าวหน้านำมาซึ่งประโยชน์สุขทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าเอาละอาตมาภาพได้บรรยายเกี่ยวกับเรื่องทุจริตสามอย่างสุจริตสาอย่างมาก็พอสมควรกับเวลาในที่สุดนี้